การหมดพิษสงทางใจ 1. สะน้ำที่มีอยู่ภายใต้จีวร 2. ผู้เวียนยาพิษในโลก 3. ผู้ไม่ตกเหว 4. ผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกัน 5. ผู้ไม่ควรอยู่ในข้อ 6. ผู้มีความเพียรตลอดเวลา 7. ผู้ไม่ต้องกลายเป็นลิงติดตัง 8. ผู้อยู่เหนือการศึก9 คุณธรรมของพระโสดาบัน 10. คุณธรรมของพระสกะทาคามี 11. คุณธรรมของพระอนาคามี 12. คุณธรรมของพระอรหันต์ 13. มหมดพิสง์ทางใจจึงประกาศพระศาสนา ภูมทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่17ว่าด้วยการหมวดพิสงทางใจปฏิปัคษ์ภยของหมวดแปดอันว่าด้วยพิสงทางใจสระน้าที่มีอยู่ภายใต้จีวรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากและอภิชาได มีจิตพยาบาทและพยาบาทได้เป pues ็นผู้มักโกรธและความมักโกรธได้เป็นผู้มักถือความโกรธและความถือโกรธได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านและความลบหลู่คุณท่านได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านและความยกตนเทียมท่านได้เป็นคนริษยาและความริษยาได้เป็นคนตรนีและความตรณีได้เป็นคนโอ้อวดและความโอ้อวดได้ เป็นคนมีมายาละความมายาได้เป็นคนมีความปรารถนาลามุกละความปรารถนาลามุกได้เป็นคนมีความเห็นผิดละความเห็นผิดได้ภิกษุทั้งหลายเพราะละกิเลสมีอภิชาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมืองมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝากของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายและมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุ ก, กติเหล่านี้ได้แล้ว เราก็กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ผู้ปฏิบัติชอบนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์และพ้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลลามกทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเป็นเช่นนั้นอยู่ความปราโมทก็เกิดขึ้นเมื่อเธอปราโมทแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจปิติแล้วนามกายก็สงบเธอมีนามกายสงบ ก็ได้สวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่นผู้ปฏิบัติชอบนั้นแผ่จิตไปสู่ที่ 1, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำด้านขวางทั่วทุกทางโดยรอบตลอดโลกทั้งปวงด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันไพยบูร์ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสะโบกกรณีมีน้ำไม่ขุนมัวหน้าดื่มเย็นสนิทใสสะอาดมีท่าขึ้นลงโดยง่ายน่าเพลินใจถ้าแม้มีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเน็ตเหนื่อยคอแห้งระหายน้ำมาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ไซบุรุษนั้นมาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วจะทำความคอแห้งระหายน้ำ และความร้อนกระวนกระวายให้เสื่อมสูญได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กุลบุตรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากสกุลกษัตริย์ ก, ก, ก็ตามจากสกุลพราหมณ์ก็ตามจากสกุลเวทก็ตามจากสกุลสูตรก็าตามและเขาได้อาศัยธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้อย่างนี้ ย่อมได้ความสงบในภายในเราก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้กุลบุรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากสกุลกษัตริย์ก็ตามจากสกุลพราหมกก็ตามจากสกุลเวทก็ตามจากสกุลสูตรก็ตามและเขาได้ทำให้แจ้งเ จ, เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมณะเพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแล เว้นยาพิษในโลกภิกษุทั้งหลายเปรืยบเหมือนถ้วยดื่มสำมฤทธิ์มีเครื่องดื่มใส่อยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งระหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแกบุรุษนั้นว่านี่แนะีท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสัมฤทธิ์ไปนี้ มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสเปิดโอกาสสำหรับท่านแต่ว่ามันมียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่มจากติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าครั้นดื่มแล้วท่านจักถึงความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ทีนั้นความคิดก็จะเพิ่งเกิดขึ้นแก่บรุษนั้นอย่างนี้ว่าความกระหายในสุราของเรานี้อาจจะดับเสียได้ด้วยน้ำเย็นหรือด้วยหางนมเปรี้ยวหรือด้วยเครื่องดื่มชื่อมันทะโลนิกะหรือด้วยเครื่องดื่มชื่อโลณะโสจิรกะเราไม่บังควรที่จะดื่มน้ำนั้นมันเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่เราตลอดกาลนานดังนี้ บุรุษนั้นได้พิจารณาถ้วยดด่มสำเร็จนั้นแล้วก็ไม่ดด่มและวางเสียบุรุษนั้นจึงไม่ถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดในการอดีต ก, ก็ตามในการอนาคตก็ตามในการบัดนี้ก็ตามก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิจใจในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นของเสียแทนด้วยความเป็นของน่ากลัวสมณะหรือพรามพวกนั้นได้ละตัณหาเสียแล้วพวกใดได้ละตัณหาเสียแล้วพวกนั้นได้ละอุปธิแล้วพวกใดได้ละอุปธิแล้วพวกนั้นได้ละทุกข์แล้วพวกใดได้ละทุกข์แล้วพวกนั้นได้หลุดพ้นแล้วจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรราพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นได้หลุดพ้นแล้วจากทุกดังนี้แหละผู้ไม่ตกเหวภิกษุทั้งหลาย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 ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเขาผู้ไม่ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นนั้นแล้วย่อมไม่ก่อสร้างเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นนั้นอีกครั้นเขาไม่ก่อสร้างเหตุปัจจัยนั้นนั้นแล้วเขาก็ไม่ตกลงไปในเหวแห่งความเกิดบ้างในเหวแห่งความแก่บ้างในเหวแห่งความตายบ้างในเหวแห่งความโศกบ้าง ในเหว่ห่วงความร่ำไรรําพันบ้างในเห่ห่งความทุกข์กายบ้างในเห่ห่งความทุกข์ใจบ้างในเห่ห่งความขับแค้นใจบ้างเป็นแน่แท้สมณะหรือพราหมพวกนั้นย่อมหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่าไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจเราจะทาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกได้ดังนี้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 ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่า ก, กล่าวถ้อยคําที่เป็นเหตุให้ยึดเถระแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เขาพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวิ น, นัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเขาพเจ้าปฏิบัติถูกคําควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคําควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคําพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์ คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแหลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวทอยคำเช่นนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวแต่เรื mm. ่องที่ว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้เพราะเหตุไรเล่า เพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นเป็นการกล่าวที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแล ไม่ควรอยู่ในข้อบพิษุทั้งหลายพิกษุผู้ประกอบได้เหตุห้าอย่างเป็นผู้ที่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวได้เหตุห้าอย่างอะไรบ้างเล่า5้าอย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักพอด้วยจีวรตามมีตามได้ 2. เธอเป็นผู้รู้จักพอด้วยอาหารบินทบาตตามมีตามได้ส เธอเป็นผู้รู้จักพอด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้ 4. เธอเป็นผู้รู้จักพอด้วยคีลานปัจจัยเพศปบระขานตามมีตามได้ 5. เธอมีความคิดหนักไปในทางหลีกออกจากกามอยู่มากพิกษุทั้งหลายพิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ที่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวได้ มีเพียรตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุน์กำลังเดินอยู่ถ้าเกิดคลุ่นคิดด้วยความคลุ่นคิดในกามหรือคลุ่นคิดด้วยความคลุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคลุ่นคิดด้วยความคลุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกษุก็ไม่รับเอาความคลุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปทายทอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่า เป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปราบรกความเพียรุฏิตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปลาเปล่าขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไป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 เมื่อภิกษุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดคลุ่นคิดด้วยความคลุ่นคิดในทางกลามหรือคลุนคิดด้วยความคลุนคิดในทางเดือดแค้นหรือคลุ่นคิดด้วยความคลุนคิดในทางทําผู้อื่นให้ลําบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความคลุนคิดนั้นไว้สละทิ้งไปทายทอนออกทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทําความเพียเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปรารบความเพียนปุธทตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดแลผู้ไม่ต้องกลายเป็นลิงติดตางภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนอยู่มันจกไม่ได้ช่องทางมันจกไม่ได้โอกาสทําตามอําเภอใจของมันได้เลยภิกษุทั้งหลายก็ที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสําหรับภิกษุนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่เป็นวิสัยเช่นนั้นได้แก่สติปฐานสี่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 ภิษุทั้งหลายสติปทานสี่เหล่านี้แลเป็นที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุดังนี้แลผู้อยู่เหนือการศึกภิกษุทั้งหลาย ลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกครั้งนั้นหมู่คนเป็นอันมากพาเอาจอบและกระทอสํสำหรับขนดินมาด้วยความตั้งใจว่าพวกเราทั้งหลายจะทำการทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับหลังดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรจะทำได้สำเร็จละหรือ ตามที่หมู่คนเป็นอันมากต้องการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่สำเร็จดอกพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ทาไม่สาเร็จนั้นเป็นเพราะเหตุไ ร, รเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกมันไม่เป็นการง่ายเลยที่จะทดแม่น้ำคงคาให้ไหล ย, ย้อนกลับหลัง มีแต่จะให้หมู่คนเป็นอันมากนั้นได้รับส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าและมีความเดือดร้อนอย่างเดียวตลอดเวลาที่ทำการนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พระราชาหรืออํมมาศผู้ใหญ่ของพระราชามิสหายหรือญาสาโลหิตจะพึงปวารณาด้วยพภะสมบัติที่อนุญาตให้ใช้ตามพอใจแก่ภิกษุผู้กาลังอบรมอรียมากมีองค์แด กระทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากว่ามาเถิดพ่อคุณเจริญการนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านนักจะเป็นคนหัวโลนเถือกระเบื้องขอทานกินไปทำไมกันเชิญท่านสืกออกมาบริโภคสมบัติและทำบุญเอาเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นซึ่งกำลังอบรมอริยมรรคมีองค์แปดอยู่กระทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากอยู่ จับบอกโลกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัสนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ข้ อ, อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าการที่จิตของภิกษุนั้นน้อมไปในวิเวลุ่มล่าไปในวิเวเอียงเทไปในวิเวตลอดกาลนานจากหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย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 อันแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์แปดกระทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากด้วยอาการอย่างนี้แหล คุณธรรมของพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธ อ, อยังรูงสึกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโล ก, กุตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า การล่วงศิษยาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งศิษยาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ที่เหมาะสมแก่พรหมจันทร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในศิษยาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในศิษยาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญาสามเป็นโสดาบันผู้ถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา ผู้ที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยสาเป็นผู้ยังต้องท่องเที่ยวไปในโพแห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุก์ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยสามจะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลสองหรือสามครั้งแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้ภิกษุทั้งหลาย พิสุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยสามเป็นผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในพบแห่งมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมประทมที่สุดแห่งทุกได้คุณธรรมของพระสกะทาคามี ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้สมบูรณ์ในศีลทําพอประมาณในสมาธิทําพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงศิษขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโล ก, กุตระธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุจากว่าการล่วงศิษขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญาสามและเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงเป็นสกทาคามี ยังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้คุณธรรมของพระอนาคามีภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธ อ, อยังล่วงศิษขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอามบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโล ก, กุตระธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงศิษขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่ง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 อีกในหนึ่งจำแน่พระอนาคามีเป็นห้าจำพวกคือภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญชน์เบื้องตามหาเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิถภ พ, พภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญชอ์เบื้องตามหาเป็นผู้ปรินิพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรียวแรงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญน์เบื้องตามห้าเป็นผู้ปรินิพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียนเรี่ยวแรงภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญน์เบื้องตามห้าเป็นผู้ปรินิพานเมื่ออายุพ้นเกลื่งแล้วจวนถึงที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญน์เบื้องตามห้าเป็นผู้ปรินิพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงเกลื่ง ทำของพระอาหารหันต์พิสุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิทําให้บริบูรณ์ในปัญญาเธ อ, อยังล่วงศึกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตระธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า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 ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่หมวดพิสงทางใจจึงประกาศพระศาสนาภิกษุทั้งหลายตาถาคตเป็นผู้พ้นแล้วจากโบงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากโบงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจานวนมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในถ้ำกลางให้งดงามในเบื้องปลายจงประกาศแบบแผงการปฏิบัติอันประเสริฐให้เป็นไปพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมิถุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคนที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็จะไปสู่ตำบนอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมหมวดที่17จบ